วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบรยสัตว์ผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้คำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้นำอาไปปฏิบัติให้เกิดความสุขเกิดประโยชน์แก่จิตใจของตนเองการฟังธรรมนี้มีคุณมีประโยชน์หลายประการด้วยกันอา น, นิสงส์ของการฟังธรรมนี้ท่านได้แสดงไว้ว่ามีอยู่สี่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรม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 และ้าจะทำให้เกิดความสงบสุขแก่จิตใจนี่คือประโยชน์ของการฟังธรรมมีอยู่ห้าประการด้วยกันถ้าฟังธรรมด้วยวิธีการที่ถูกต้องคือฟังแบบลิ้นกับแกงไม่ฟังแบบทัพทีในหม้ อ, อกแกงการฟังธรรมนี้มีสองลักษณะ ฟังแบบลิ้นกับแกงหรือทัพพีในหม้อแกงทับเพียอยู่ในหม้อแกงนอนสักเท่าไหร่ทัพีก็จะไม่รู้รสของแกงว่าเป็นแกงชนิดไหนส่วนลิ้นกับแกงนี่พอลิ้นได้สัมผัสกับหยดสองหยดของแกงก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหนเป็นแกงจืดแกงเผ็ดแกงหวานเป็นต้น แังเราต้องการฟังทมให้เกิดประโยชน์เราก็ต้องฟังด้วยฟังแบบดิ้นกับแกงการฟังทำแบบดิ้นกับแกงนี่ฟังอย่างไรก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนั่นเองไม่ให้มีการกระทําอะไรต่างๆทางกายทางวาจาและทางใจทางร่างกายก็ควรจะนั่งอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆ จะนั่งในท่าไหนก็ได้หรือจะยืนเฉยๆก็ได้หรือจะนอนก็ได้ถ้าเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมานั่งได้ก็ยังสามารถฟังธรรมได้ในท่านอนอยู่ไม่ถือว่าเป็นการเสียความเคารพใจอย่างใดก็เป็นเรื่องสุดวิสัยดังข mm ั hmm. ้นที่หนึ่งการฟังธรรมต้องฟังด้วยกายที่สงบนิ่ง ไม่เคลื่อนไหวไม่มีการกระทาอะไรต่างๆเพราะว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการกระทํอะไรต่างๆใจก็จะไม่ได้อยู่กับการฟังทาตลอดเวลาจะต้องแบ่งเวลาไปให้กับการกระทําของร่างกายทำเสียงทาที่จะเข้ามาในใจก็จะเข้ามาแบบเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปไม่ได้เข้าไปในใจไม่ได้เกิดความเข้าใจ นี่คือข้อที่หนึ่งของการฟังธรรมที่จะได้อนิสงได้ประโยชน์ต้องนั่งเฉยๆอย่าทำอะไรอย่างอื่นข้อที่สองต้องไม่มีการพูดคุยกันสงบวาจาหรหือไม่พูดคุยกับใครขณะที่เราฟังธรรมตั้งใจฟังเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเราคุยไปฟังไปเราจะฟังไม่รู้เรื่อง เพราะว่าราโมแต่คุยกันเป็นส่วนใหญ่ข้อที่สามใจต้องนิ่งสงบต้องตั้งมั่นอยู่กับเสียงธรรมใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์ในการฟังธรรมไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นแม้แต่การดูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นต้นก็ไม่ต้องทำในขณะที่กำลังฟังธรรม เพราะถ้าไปบริกรรมพุโทโธพุธโทโธมันก็จะไปชนกับเสียงธรรมที่เข้ามาในใจหรือถ้าไปดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะไม่ได้ยินมันก็จะไม่ได้เอาธรรมเข้ามาในใจพอมือไปอยู่กับลมหายใจถ้าอยากจะนั่งแบบบริกรรมพุโทโธเรื่นดูลมหายใจก็ควรจีคนที่จะปิดเสียงธรรมถ้าปิดได้ หรือถ้าถ้าถ้าต้องฟังธรรมก็ก็รอไปก่อนอย่าเพิ่งบริกรรมพุทโธอย่าเพิ่งดูลงหายใจเข้าให้ใจนิ่งอยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวแล้วก็อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจต้องตั้งมั่นอยู่กับเสียงธรรมใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์การใช้เสียงธรรมนี้ก็ได้ประโยชน์สองลักษณะด้วยกัน ถ้าฟังแล้วไม่เกิดความเข้าใจคือไม่สามารถพิจารณาตามได้ก็าอาจจะเป็นเรื่องลึกซึ้งเรื่องที่ยากต่อการเข้าใจฟังแล้วยังพิจารณาตามไม่ได้ก็ฟังไปเรื่อยฟังเสียงธรรมไปเรื่อยเสียงธรรมก็จะเป็นอารมณ์เหมือนพุโทโธเหมือนลมหายใจเข้าออกถ้าฟังแบบนี้ใจก็จะสงบจะได้สมาธิแต่จะไม่ได้ความรู้ไม่ได้ปัญญา ฟังแบบพิจารณาตามได้เข้าใจเหตุและผลของธรรมที่แสดงให้ฟังพิจารณาตามแล้วก็เกิดความกระจ่างขึ้นมาภายในใจนี่เรียกว่าฟังแล้วได้อา น, นิสงค์คือได้ปัญญาความความเข้าใจที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี่คือลักษณะของการฟังธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ ไม่เสียเวลาฟังแบบดิ้นกับแกงไม่ได้ฟังแบบทัฟทีในหม้อกแกงสาหรับธรรมที่จะฟังกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องธรรมโอษสนคำว่าธรรมโอสจนนี้เป็นคำสองคำมารวมกันคำแรกคือธรรมแปลว่าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าโอสจน ก็คื อ, อยารักษาโรคธรรมโอษจนี้เป็นยารักษาโรคของใจไม่ได้เป็นยารักษาโรคของทางร่างกายถ้าเป็นโรคทางร่างกายนี้ต้องใช้ยารักษาโรคของร่างกายโรคถึงจะหายได้แต่ถ้าเป็นโรคของใจเช่นความทุกข์ต่างๆความเครียด ความฟุ้งสัานความวิตกกังวลความซึมเศร้าควา ม, มเศร้าโศกเสียใจความกังวลอะไรต่างๆเหล่านี้ความกลัวนี่คือเป็นความทุกข์ทางใจที่ยารักษาโรคทางร่างกายจะไม่สามารถรักษาให้หายได้ต้องอาศัยยาทางทางธรรมคือธรรมโอสฐ ธรรมะอาส่วนนี้เป็นยาที่คิดค้นขึ้นมาโดยพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ทรงออกบวชด้ได้ทรงศึกษาได้ได้ทรงปฏิบัติอยู่ถึงระยะเวลาหกเดือน6กปีด้วยกันในที่สุดก็ทรงค้นพบยารักษาโรคใจทำให้โรคต่างๆของใจคือความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในพระไตยของพระองค์นี้หายไปหมดหลุดพ้นจากความทุกข์หลังจากที่พระองค์ได้ทรงรักษาใจของพระองค์ด้วยธรรมโอสถแล้วพระองค์ก็ทรงนําเอาธรรมโอสถนี้กื อ, อยาที่พระองค์ได้ทรงใช้ในการรักษาความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปแล้วเอามาเอยแผ่ สั่งสอนแก่ผู้ที่มีความสนใจผู้ที่มีความปรารถนาอยากจะกาจัดความทุกข์ของใจต่างๆให้หมดสิ้นไปพอได้ยินได้ฟังและน้อมนำอาไปปฏิบัติความทุกข์ทางใจก็หายไปตามลำดับจนหายไปหมดสิ้นไป กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพระอาหารหันตสาวกแต่ละรูปท่านก็สามารถนำเอาธรรมโอสฐ์อันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้มีการเผยแผ่สั่งสอนมีการศึกษามีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงยุคปัจจุบันของพวกเราธรรมโอสุดยารักษาใจของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังมีจำหน่ายเพื่อมีการเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจใครที่สนใจใครที่มีความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจความกังวลใจความเดือดร้อร้อนใจความทุกข์ใจต่างๆของใจนี้ ได้ศึกษาเขาทาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วนํามาไปปฏิบัติด้วยความภาคเรียนด้วยความพยายามไม่ท้อแท้ไม่ท้ททถอยพยายามปฏิบัติไปตามกําลังและเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนสามารถปฏิบัติได้เต็มที่แบบสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว ความทุกข์ต่างๆที่มีในใจก็จะหายไปหมดแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่มีธรรมโอสถที่จะได้นำเอาไปเผยแพ่ให้แก่ผู้ต่อไปพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้ว่าสาเหตุของความทุกข์ใจนี้มีอยู่สามประการด้วยกันประการที่หนึ่ง ความทุกข์ใจเกิดจากการกระทําบาปต่างๆเวลาทําบาปแล้วใจจะเกิดความรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจเกิดความหวาดวิตกกับกับวิบากกรรมของตนถ้าระงับการกระทําบาปได้ความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทําบาปก็จะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ใจชนิดที่สอง เกิดจากการไม่มีความสุขใจอยู่เฉยๆแล้วมีความรู้สึกไม่มีความสุขใจต้องหาอะไรทำถึงจะได้มีความสุขใจถ้ามีความรู้สึกแบบนี้ก็ให้ไปทำความดีต่างๆสร้างบุญทำบุญทำบุญทำกุศลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทาทานการทำงานเพื่อสังคมเป็นต้น เอาเวลาที่เราอยู่เฉยๆว่างๆแล้วรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกว่าขาดอะไรไม่มีขาดความสุขก็ไปหาความสุขด้วยการกระทาทําบุญต่างๆทําบุญทำํำกุศลต่างๆทํากับใครก็ได้ทํากับพระาศาสนาก็ได้ทํากับโรงพยาบาลทํากับโรงเรียนทํากับผู้ได้อโอกาสต่างๆก็ได้พอเมื่อได้ทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้ว ก็จะเกิดบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจตามมาส่วนเหตุของความทุกข์ใจข้อที่สามก็คือเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆอันนี้ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมคือไปบาเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปถ้าสามารถซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้จิตใจก็จะมีแต่ความสุขความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาก็จะหมดสิ้นไปจากใจอันนี้ก็คือที่มาของคำสอนของพระพุทธเจ้าสามพระองค์สามสาม สอย่างด้วยกันของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามที่มาตัสรู้ธรรมธรรมโอสถนี้ก็จะรู้เรื่องนี้อย่างเดียวกันและจะรู้วิธีแก้วความทุกข์ของใจอย่างเดียวกันคือมีสามสามอย่างด้วยกันวิธีแก้วความทุกข์ทางใจก็คือหนึ่ง การละการกระทำบาปทั้งปวงสองการทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมาตัดสร้ในยุคใดสมัยใด<ม>ก็จะมาสั่งสอน เหมือนกันทาสอนของพระเจ้าจะสอนเหมือนกันหมดทุกๆพระองค์เพราะว่าปัญหาก็คือความทุกข์ใจไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็เป็นปัญหาที่เกิดจากเหตุทั้งสามประการนี้เช่นเดียวกันเหตุเกิดจากการทําบาปเหตุเกิดจากการไม่มีความสุขเวลาอยู่เฉยๆแล้วก็เหตุเกิดจาก ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจพอได้รับการชำระ ด, ด้วยวิธีการที่ถูกต้องด้วยธรรมะโอสถ ท, ที่ถูกต้องความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะหายไปหมดนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์มาว่าเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นตเป็นยาที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับเวลาคือไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาไม่เหมือนกับยารักษาโรคทางร่างกายซึ่งมักจะมีกรอบเวลาของการมีประสิทธิภาพเช่นยาทุกชนิดแทบจะมีใบกำกับเขียนไว้ว่าต้องใช้ยานี้ก่อนวันที่นั้นวันที่นี้ถ้าหลังจากนั้นแล้วยาที่เป็นยารักษาโรคอาจจะกลายเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใช้ก็ได้ ต้องใช้อยู่ในกรอบของเวลาของอยานั้นแต่ยาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้านี้ไม่ขึ้นกับเวลาไม่เสื่อมตามการตามเวลาสามารถใช้รักษาโรคใจได้ทุกยุคทุกสมัยยาที่พระเจ้าได้ส่งใช้ธรรมโอสถที่ได้ส่งใช้รักษาใจเมื่อตอนที่พระองค์ทรงตัดสรู้ก็ยังสามารถนำมามาใช้ในวันนี้ได้ไม่เสื่อม มให้ประสิทธิผลเท่ากันมีประสิทธิภาพเท่ากันที่นั้นเรียกว่าเป็นอากาลิโกอากาลิโกก็คือไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นกับการเวลาไม่เสื่อมตามการตามเวลาสิ่งต่างๆในโลกนี้มักจะต้องมีการเสื่อมไปตามการเวลาอาหารก็ดียาก็ดีถ้าซื้อมาเขามักจะมีใบกำกับเขียนไว้ว่าควรบริโภคก่อนวันนั้นวันนี้ เพราะว่าหลังจากวันนั้นแล้วประสิทธิภาพของยาหรือของอาหารก็จะเสื่อมไปแล้วก็อาจจะกลายเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้แต่ยาของพระพุทธเจ้าคือธรรมโอสฐนี้ไม่มีใบกำกับยามีก็เขียนไว้คำเดียวคืออากาลิโกใช้ได้ตลอดทุกยุคทุกสมัยดังนั้นไม่ต้องกังวลกับคำ พูดของคนที่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ทําได้ได้ประโยชน์ก็ในยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่เท่านั้นแต่ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วนี้ปฏิบัติไปศึกษาไปก็จะไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์อะไรอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของผู้พูดความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพให้ประสิทธิผล เหมือนกับตอนที่ในยุค ข, ของพระพุทธในยุค ข, ของพุทธการในยุค ข, ของพระพุทธเจ้ายาธรรมโอสถนี้ไม่มีวันเสือ่อมถ้าสามารถนำอาไปปฏิบัติทั้งสามข้อนี้ได้ความทุกข์ในใจทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไปได้อย่างแน่นอนและการที่เราจะเอาธรรมโอสถนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เราก็ต้องน้อมเอาเข้ามาเหมือนกับการเราต้องรับประทานยาเหมือนกับยาที่รักษาทางร่างกายเวลาคุณหมอให้ยามาแล้วคุณหมอก็มีใบกํากับสั่งว่าต้องรับประทานวันละสามครั้งสี่ครั้งครั้งละกี่เม็ดถ้าเรารับยามาแล้วแล้วเราไม่รับประทานยายาไม่ได้เข้าไปในร่างกาย ยาก็จะไม่สามารถไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ต้องรับยามาแล้วแล้วก็ต้องเอามารับประทานเมื่อได้รับประทานยาพอยาได้เข้าไปในร่างกายแล้วยาก็จะได้ออกฤทธิ์ออกแสดงผลขึ้นมาทําให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆของร่างกายค่อยๆมันมันเทาลงไปและหายไปได้ในที่สุด ต้องต้องรับยามาแล้วแล้วก็ต้องไปกินยาเบื้องต้นต้องไปหาหมอก่อนเวลาเราไม่สบายเวลาเราไม่สบายแล้วก็ต้องไปหาหมอเพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษาและโรคของเราว่าเกิดจากอะไรจะ ต, ต้องใช้ยาอะไรรักษาถึงจะหายได้ก็ต้องไปหาผู้รู้ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายก็คือคุณหมอต่างๆนี่เองพอไปหาหมอแล้ว หมอก็วินิจฉัยดูว่าโรคเป็นโรคอะไรเป็นโรคท้องโรคศีรษะหรือโรคอะไรก็สั่งยาให้เอามารับประทานพอได้รับประทานยาแล้วโรค ก, ก็จะค่อยหายไปตามลําดับถ้าไม่หายก็ต้องกลับไปหาคุณหมอใหม่อาจจะต้องเพิ่มยาหรือเปลี่ยนยาแล้วก็ค่อยรับประทานต่อไปเรื่อยๆแต่นั้นที่สุด โรคภัยก็จะหายได้ถ้าเป็นโรคที่รักษาได้ให้หายได้มันก็จะหายได้แต่ต้องรับประทานยาต้องเอายาเข้าไปในร่างกายฉันด้ยารักษาโรคใจคือธรรมโอสจนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเหมือนยาที่เรามารับเรารับมาจากพระพุทธเจ้าหรือรับมาจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่เปียบเป็นเหมือนคุณหมอท้ง ทางโลกทางใจ<ม>เวลาเรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ<ม>ว้าวุ่นขุนวัวซึมเศร้า<ม>เราก็ไปหาหมอทางใจมหมอทางใจก็คือไปหาตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะยุคนี้เราไม่สามารถพบกับพระพุทธเจ้าได้โดยตรงแต่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงมีตัวแทนที่จะ ทำหน้าที่แทนพระองค์ได้ mm hmm. ก็คือหนึ่งคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา4ี่สิห้าปีด้วยกันในขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรุในวันแผ่นเดือนแตดที่เป็นวันนาสาหาบูชาแล้วพระองค์ก็ทรงเริ่ม เริ่มสั่งสอนธรรมะวิธีดับความทุกข์ต่างๆให้กับผู้ที่ปรารถนาการํำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจได้เรียนรู้และได้นำมาไปปฏิบัติและได้บรรลุผลตามลาดับธรรมะต่างๆเหล่านี้ก็มีการจดจำมีการบันทึกไว้มาจนถึงปัจจุบันก็มีบันทึกเก็บไว้ในพระคัมภีร์ ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะรับธรรมโอสถจากพระพุทธเจ้าเราก็ไปศึกษาจากพระคำพีพระไตรปิฎกได้ไปศึกษาพระสูตรต่างๆที่สำคัญสคัญไม่จาเป็นที่จะต้องศึกษาทั้งหมดทั้งคำพีซึ่งเดี๋ยวนี้สมัยนี้พระคณะสองท่านก็มีการคัดเลือกเอาธรรม สำคัญๆัญเอามารวบรวมเป็นหลักสูตรนักธรรมจีโทเอกก็ไปหาหนังสือหลักสูตรเหล่านี้มาอ่านได้เราก็จะได้เรียนรู้ถึงวิธีการรักษาใจของเราชำระความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของเราได้นี่ก็คือการไปเรียนรู้จากพระพ All ุทธเจ้าผ่านพระคำทีพระไตัปิดก นอกจากนั้นเราก็ยังมีพระอรหันตสาวกหรือพระอริยสงสาวกผู้ที่รู้วิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆของใจถ้าเราได้มีโอกาสได้พบปะกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่เป็นสุปฏิปันโนพระที่มีมีความสําเร็จมีการบรรลุธรรมขั้นต่างๆคือเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ เราก็สามารถที่จะไปศึกษาไปรับธรรมเนสโอุฐจากพระเหล่านี้ได้ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ว่าพระธรรมคำสอนของท่านถูกต้องหรือไม่ในเบื้องต้นเราก็ควรที่จะไปศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนไว้เป็นมาตรฐานวัดคำสอนของครูบาอาจารย์ต่าง พอเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีกําจัดความทุกข์สามข้อคือให้ละการกระทําบาปให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชําระใจให้สะอาดโดยสุดพอเราไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆแล้วก็ดูว่าคําสอนของท่านอยู่ในกรอบของคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เหมือนกันหรือไม่สอนให้ละบาปหรือไม่สอนให้ทําบุญหรือไม่ สอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดบอยสุดหรือไม่นะถ้าไม่สอนเราก็จะได้รู้ว่าไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจา้าไม่ได้สอนตามคําสอนของพ ร, รนะพุทธเจ้าถ้าไปไปเจอคาสอนที่สอนให้เราไปปลุกเสกไปเป่าไปสร้างวัตถุมงคลอะไรต่างๆเหล่านี้อนะ <uf> ันนี้แหละไม่ใช่เป็นคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งสอนให้ไปปรุกเสกให้ไปทำวัตถุมงคลต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจได้แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากำจัดความทุกข์ด้วยการละการกระทาบาปให้ทําบุญทำกุศลให้ถึงพร้อม แล้วก็ให้ชำระจสยาให้สะอาลบริสุทธิ์เราก็จะอาจจะหลงทางได้เวลาไปพบกับคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์รูปต่าง ๆ, ๆซึ่งมักจะมีคนไปเชื่อกันมากด้วยถ้าเราไปดูปริมาณของคนที่เชื่อคำสอนเป็นหลักเกณฑ์แล้วเราก็อาจจะหลงทางได้ mm hmm. เพราะว่าคนที่ไปเชื่อก็อาจจะเชื่อแบบงมงาย เชื่อแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีมาตรฐานวัดคาสอนว่าเป็นคาสอนที่ถูกต้องหรือไม่ น, นี่ก็คือการไปรับยาเบื้องต้นเราต้องไปรับยาจากหม อ, อต้องไปหาหมอที่เป็นหมอที่จบจริงจบจากมหาวิทยาลัยจริงไม่ใช่เป็นหมอที่ไม่ได้จบแล้วเพียงแต่ไปไปจ้างเขาเขียนบั เอาไปประกาศจริยบัตให้ว่าได้จบจากที่นั่นที่นี่อย่างนี้ก็ต้องตรวจสอบดูให้แน่ใจก่อนว่าเป็นหมอแท้หรือหมอปลอมเพราะถ้าไปรับยาจากหมอปลอมก็อาจจะเอายาพิษมากินแทนที่จะเ อ, เอายามารักษาโรค ก, ก็ได้แยนที่จะโรคภัยไข้เจ็บจะหายก็อาจจะตายจากการรับประทานยาก็ได้ดังนั้นเราต้องรู้จักหมอ ที่ให้ยากับเราเราต้องรู้ว่าหมอที่จะให้ธรรมโอสถกับเรานี้ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ที่เรายึดถือเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราเราก็ต้องรู้ว่าพระอริยหรือพระที่เราคิดว่าเป็นพระอริยะนี้ท่านสอนท่านให้ธรรมโอสถตามที่พระเจ้าส่งสอนทรงให้หรือไม่ถ้าไม่ได้ทํา ไม่ได้สอนตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทําก็ควรจะเริ่มมีความสงสัยได้แล้วว่าจะถูกหลอกหรือเปล่าอ น, นี่คือวิธีการรับยาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าต้องไปรับจากหมอแท้หมอจริงหมอจริงก็คือพระพุทธเจ้าแต่ไม่แต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีตัวแทนของพระพุทธเจ้าทําหน้าที่ต่อได้ ก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระธรรมวินัยที่ได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วอันนี้แหละจะเป็นศาสตราของพวกเราต่อไปจะเป็นหมอที่จะให้ธรรมโอสถแก่พวกเราก็คือพระธรรมคําสอนที่มีอยู่ในพระคำในพระไตรปิฎกเราต้องไปศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสาวทรงสอนสามข้อนี้คือสอนให้เราละ บ, บาปให้เราสร้างบุญสร้างกุศล ให้เราชนระจิตใจให้สอาดบริสุทธิ์เพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางเวลาใครเข้ามาหลอกให้เราไปประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆไปทําอะไรต่างๆไปนั่งปลุกนั่งเสกนั่งเป่าอะไรกันออันนี้ไม่ได้อยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยแนมะ้แต่นิดเดียวเราก็จะได้หลีกเลี่ยงจะได้ไม่หลงทางนี่คือหลักที่ถูกต้องไหมหมอหมอแท้ก็มีพระพุทธเจ้า และพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระโสวดาบันขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเป็นหมอแท้ได้พอรู้จักวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังอาจจะไม่ปฏิบัติได้ถึงขั้นสูงสุดก็ตามแต่วิธีการรักษาก็จะเหมือนกันรู้จักวิธีที่รักษาคือละการกระทำบาปสร้างบุญสร้างกุศลและชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ พอเราได้ไปรับยาแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องเอายาธรรมโอสถนี้เข้ามาสู่ใจของเราเหมือนกับเวลาที่เราไปรับยาทางร่างกายพอหมอให้ยามาเราก็ต้องเอามารับประทานตามคำสั่งของหมอหมอให้กินครั้งละกี่เม็ดเราก็ต้องกินตามกินวันละกี่ครั้งเราก็ต้องกินตามถ้าเราทำตามแล้ว ยาก็จะเข้าไปทำหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หมดสิ้นไปได้เช่นเดียวกับการรักษาโรคทางใจพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาโลกท่านก็จะให้ยาเรามาสามชนิดด้วยกันให้เราละการกระทำบาป <c oughs> ให้เรา <c oughs> สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อ <c> ม <oughs> ให้เราชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ในการปฏิบัติจิตตภาวนานะพอท่านให้ยามาแล้วท่านบอกวิธีรับประทานยาแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัตินะที่เรียกว่าโอปัญิโกธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นโอปัญิโกนะคือต้องน้อมเอาธรรมะเอาสดของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราวิธีที่จะน้อมเข้ามาสู่ใจของเราก็คือ ต้องนำเอาไปปฏิบัติเมื่อได้ศึกษาแล้วได้เรียนรู้แล้วว่าการที่จะรักษาโลกใจของเราให้หายจากความทุกข์ต่างๆได้นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างเราก็ต้องปฏิบัติตามโอปัโกเอาละการกระทำบาปเข้ามาในใจเราด้วยความคิดอยู่เรื่อยๆต่อไปนี้เราจะไม่กระทำบาปอีกต่อไป ให้เราคิดว่าต่อไปนี้เวลาที่เราอยู่เฉยๆแล้วเรามีความรู้สึกไม่มีความสุขใจให้เราไปทําบุญกันทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วเราก็จะได้ความสุขใจแล้วถ้าเรามีความทุกข์ใจที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเราก็ต้องไปรักษาใจไปภาวนาไปปฏิบัติจิตตภาวนา ไปเจริญสัมมาภาวนาวิปัสนาภาวนาอันนี้เรียกว่าเป็นการโอปัญญิโกน้อมเอาธรรมที่อยู่ข้างนอกเข้ามาสู่ในใจของเรา mm hmm. เช่นตอนนี้ญาตโยมกำลังฟังธรรมอยู่ฟังวิธีรักษาโรคของใจอันนี้เป็นเหมือนกับการมารับยา mm hmm. แต่ยังไม่ได้น้อมเอาเข้าไปในใจยาธรรมโอสถยังไม่สามารถทำหน้าที่ กำจัดความทุกข์ของใจได้เพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปในใจเหมือนกับยาของร่างกายที่ยังไม่ได้รับประทานเข้าไปในร่างกายเราให้เป็นยาวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ได้เอาเข้าไปในร่างกายแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปรักษาโรคภัยของร่างกายให้หายไปได้ฉันใดธรรมโอสถที่เป็นยาวิเศษของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะเป็นยาที่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้แต่ถ้าเราไม่น้อมเอาเข้ามาในใจด้วยการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใจของเราก็ยังจะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้เราต้องน้อมเข้ามาด้วยความคิดในเบื้องต้นคิดธรรมะคิดตามคำสอนไม่ให้หลงไม่ให้ลืม อวชาสอนให้เราละการกระทำบาปเราต้องคิดอยู่เรื่อยๆต่อไปนี้เราจะไม่ทำบาปเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดประเพณีจะไม่พูดป่จะไม่เดือดสุรายาเมาของมุนเมาต่างๆต้องคิดอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่คิดแล้วเดี๋ยวมันลืมได้ต้องคิดอยู่บ่อยๆแล้วเราก็จะต้องหมั่นทำบุญทำกุศลอยู่เรื่อยๆเวลาที่เรามีเวลาว่างเวลาที่เรามี สิ่งที่เราเหลือกินเหลือใช้พอที่จะเอาไปทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ก็ให้เอาไปทําเพื่อให้เราได้เกิดความสุขใจเกิดบุญขึ้นมาใน ใ, นใจของเราให้เราคิดว่าทรัพย์สมบัติเก้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันมีไว้รับใช้เราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่มันจะไม่สามารถรับใช้เราได้ต่อไป เราจะไม่ได้รับคุณรับประโยชน์จากทรัพย์สมบัติต่างๆที่เรามาอยู่หลังจากที่เราตายไปไปแล้วเราจะได้รับคุณรับประโยชน์จากทรัพย์สมบัติก็ต่อเมื่อเราใช้มันในการทาบุญทาทานในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เทนั้นทุกครั้งที่เราทาบุญทาทานเราจะเกิดความรู้สึกสุขใจ่มใจขึ้นมาเราจะทำให้เรามีกำลังที่จะ ต่อสู้กับความคิดฝ่ยต่ำได้เป็นความคิดที่จะไปทำบาปต่างๆใจที่มีความสุขจากการทำบุญทำกุศลนี้จะมีความเมตตาจะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจึงจึงจะไม่คิดที่จะไปทำร้ายผู้อื่นด้วยการทำบาปในรูปแบบต่างๆต้องหมั่นคิดคิดแล้วก็ต้องหมั่นเอาไปทำด้วยไม่ใช่เพียงคิดเพียงอย่างเดียว คิดเพื่อที่จะได้นำมาไปกระทาถ้าเราไม่คิดเราก็อาจจะเลืมได้โดยชั่วถ้าเราเป็นคนที่มีภารกิจการงานมากมายทำงานทำการอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ค่อยมีเวลาคิดถึงเรื่องการรักษาใจของเราเราต้องพยายามหาเวลาใดที่เราไม่ได้ทำงานช่วงใดในวันของแต่ละวันที่เราไม่ได้ทำงานนี้ไม่ต้องใช้ความคิดไปกับการทางาน ก็ควรที่จะคิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการอุปนั igo, <ม>ิโกเป็นการน้อมเอาธรรมโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ในใจของเราเ<ม>ช่นในช่วงตอนที่เราเตื่นขึ้นมานี้เรายังไม่ต้องไปทํางานเรายังไม่ต้องไปคิดอะไรงานที่เราทําก็เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นการไปอาบน้ำํำล้างหน้าแปรงฟัน<ม>ช่วงนั้นเราก็อาจจะใช้เวลาคิดไปด้วยก็ได้ ที่ว่าเราจะต้องไม่ทําบาปเราจะต้องทําบุญทำกุศลเมื่อมีโอกาสมาให้เราทําก็ควรจะทําทไปและควรที่จะชำระจิตใจของเราด้วยการลดความโลภความโกรธความหลงลดความอยากต่างๆของเราให้เบาบางลงด้วยการใช้หลักธรรมที่พระเจ้าส อ, สอนก็คือให้มีความมากน้อยสันโดษความมากน้อยสันโดษนี้จะช่วย ลดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจมากๆนี้ให้ลดน้อยลงได้แล้วเพื่อที่เราจะได้มากำจัดมันได้อย่างสิ้นเชิงด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาต่อไปอันนี้ก็คือการน้อมนำเอาธรรมะโอสฐ์เข้าสู่ใจเบื้องต้นก็ต้องมันระลึกอยู่เรื่อยเรียกว่าเป็นจินตามายปัญญาปัญญานี้มีสามระดับด้วยกัน ระดับแรกก็คือสุตตมยาปัญญาระดับที่สองก็คือจินตามายาปัญญาระดับที่สามก็คือภาวนามยปัญญาสุตตามยาปัญญาก็คือการไปฟังธรรมหรือเป็นการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆอันนี้เป็นการน้อมเอาคําสอนหรือธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่เข้ามาสู่ใจเราเป็นครั้งแรกด้วยการฟังเทศฟังธรรม ด้วยการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆแต่การฟังเทศฟังธรรมหรือการอ่านหนังสือถ้าฟังเพียงคนเดียวนี้แล้วเราไม่เอามาต่อยอดทำที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็อาจจะจางหายไปได้ดังนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้สุตตมยจจัญญาแล้วขั้นที่สองเราก็ต้องมาต่อยอดนำมามาพิจารณาอยู่เนืองๆทำทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสอนนี้ทรงสอนให้เรา หมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆการพิจารณาอยู่เนืองๆนี้ก็เป็นการป้องกันความหลงลืมนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่เอามาคิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวความจำในเรื่องนั้นก็จะค่อยจางหายไปแต่เราคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆอย่างที่ทรงสอนให้เราหมั่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืม การพิจารณานี้เรียกว่าจินตามายะปัญญาเป็นปัญญาระดับที่สองระดับรักษาความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคําสอนไม่ให้หายไปจากใจของเรา<อ>เราก็ต้องหมั่นมาพิจารณาอยู่เนืองๆแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องไปพัฒนาปัญญาเป็นขั้นที่สามเพราะปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ยังไม่ได้เข้าไปถึงในใจเงยังอยู่แต่ใน ในสัญญาความจำเท่านั้นยังไม่สามารถที่จะนำเอาไปชาระความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ถ้าเราต้องการที่จะนำปัญญาหรือธรรมโอษถของพระพุทธเจ้านี้เข้าสู่ใจเราก็ต้องไปบาเพ็ญจิตตะภาวนานี่บาเพ็ญสมถะภาวนาก่อนเพื่อทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจก็จะมีพลัง ที่จะสามารถนําเอาปัญญาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราชําระความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจตอะ น, นั้นเราก็จะมีปัญญาระดับที่สามถ้าเรามีการภาวนามีจิตตภาวนาควบคู่ไปกับการมีปัญญาที่ได้จากสุตตะหรือจินตามะยะปัญญาเมมือม่อาเมื่อมารวมกับการภาวนาแล้ว ก็จะทำให้กลายเป็นเป็นอะไภาวนาเมยาปัญญาภาวนามยปญญ า, า, า, ามยปัญญาขึ้นมาปัญญาขั้นที่สามนี่แหละจะเป็นยารักษาโรคของใจที่แท้จริงขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี่ยังเป็นเหมือนกับการไปรับยาแล้วก็ไปอ่านฉลากยาดูวิธีการกินยาว่ากินอย่างไรต้องเอาเอาไปกินเอาไปรับประทานด้วยการบําเพ็ญจิตภาวนา ให้เกิดภาวนามายปัญญาปัญญาขั้นที่สามที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นนี้ก็คือการที่เราจะต้องอุปัญิโกน้อมเอาธรรมเข้ามาเมื่อเราได้น้อมเอาธรรมเข้ามาด้วยการปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นด้วยใจของเราเองว่าความทุกข์ที่เราเคยมีอยู่นี้มันเริ่มหมดไปแล้ว ที่ท่านเรียกว่าเป็นสันทิโกทำของพระพุทธเจ้านี้ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติของตอนเองเวลาทุกข์หายไปก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปถามหมอว่าผมหายหรือยังเวลากินยาหมอให้ยามากินพอโครคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในใจหายไปแล้วก็ไม่ต้องกลับไปถามหมอว่าผมหายจากโรคนี้หรือ ย, อยังเพราะผู้ผู้กินยา ที่พวกที่เป็นคนไข้ที่เป็นไข้ยอยู่พอได้กินยาแล้วพอไข้าหายไปก็ไม่ได้กลับไปถามหมอว่าผมหายจากโรคไข้นี้หรือยังฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าได้บรรลุผลหรือยังไม่จําเป็นที่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าหรือถามใครว่าผมหายจากความทุกข์หรือยังเรารู้อยู่แก่ใจของเราว่าเราทุกที่เราเคยมีอยู่ตอนนี้มันไม่มีอยู่แล้ว ถ้าถึงเรียกว่าธรรมะเป็นสันติโกเป็นอาการลิโกเป็นโอปัญญิโกต้องน้อมเอาเข้ามาปฏิบัติที่ใจของเราเบื้ <c oughs> องต้นก็ด้วยความคิด่อนคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เนียงเมียงอย่างวันนี้เราได้ธรรมะไปสารข้อไม่ทำบาปให้ทำบุญให้ชำะจิตใจอย่าให้มันลืมจากใจแล้วก็ต้องอนาเอาไปปฏิบัติต่อไป พอเรามีเหตุการณ์ที่จะมาท้าทายต่อการกระทาบาปของเราเราจะฝืนใจไม่ทำบาปได้ไหมเช่นมีงานเลี้ยงวันนี้คืนนี้เขาชวนไปงานเลี้ยงมีการดื่มชราเพื่อนฝูงมาชวนให้ดื่มเราจะจําคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือเปล่าว่าการดืร่มชลายาเมา น, นี้เป็นการกระทาบาปในการกระทาที่จะนำไปสู่การกระทาบาป ถึงแม้จะไม่เป็นบาปโดยตรงแต่มันก็จะทําให้เกิดการกระทําบาปได้ง่ายเพราะเวลาเดินช ร, รายาเมาแล้วก็จะเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาขาดสติจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เวลามีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมาก็จะไม่สามารถยับยั้งก็ จ, จะปล่อยให้ออกมาด้วยการกระทําที่ไม่ดีได้เราจะจําได้ไหมเวลาที่เราไปอยู่ในเหตุการณ์ที่จะท้าทายต่อการ ไม่ทำบาปของเราว่าเราจะไม่ทำบาปได้หรือไม่เวลาใคร้ามาเสนออะไรบางอย่างให้เรามีรายได้มากแต่เราจะต้องทำผิดศีลก็ อ, อาจจะต้องโกหกอาจจะต้องหลอกลวงอย่างนี้เราจะทำอย่างไรเราจะปฏิเสธไปได้หรือไม่อันนี้จะเป็นข้อทดสอบของการปฏิบัติของเราว่าเราได้น้อมเอายาของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเรา ได้หรื อ, อยังถ้าน้อมเข้ามาได้แล้วเราจะต้องมีความแน่นอนมั่นใจว่าไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดใครจะมาล่อให้เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็จะไม่ไปจะมีเหตุการณ์อะไรบิดท่านให้เราต้องไปรักทรัพย์ของผู้เราก็จะไม่รักทรัพย์จะมีอะไรมายย่อย่วนให้เราไปประพฤติผิด ป, ประเพณีเราก็จะไม่กระทามีอะไรจะมาหลอกล่อให้เราไปโกหกหลอกลวงเราก็จะไม่กระทำ อันนี้แหละเป็นตัวข้อสอบของของของเราว่าเวลาเรารับรับยามาแล้วนี่เราสามารถเอาอยาเหล่านี้มารับประทานได้ไหมเราก็จะรู้ตอนที่มีข้อสอบนี้ว่าอ๋อเราได้รับประทานยาชนิดนี้แล้วมีเหตุการณ์มาหลอกล่อเราให้เราไปทำบาปเราก็ไม่ทำอย่างนี้แล้วพอเราไม่ทำแล้วใจเรารู้สึกเย็นใจสบายใจขึ้นมา แล้วความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราสอบตกเราไปทำบาปเพราะมีเหตุการณ์มีอะไรมาล่อใจเราให้ดึงใจให้เราไปทำบาป<ม>พอเราทำแล้วถึงแม้เราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งการกระทําของเราแต่เราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความกังวลต่อวิบากกรรมที่เราทาไว้ว่า มันจะส่งผลให้กับเราเมื่อไหร่อันนี้มันจะปรากฏขึ้นมาในใจของเราเองถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นชัดเจนเหรือว่าเวลาเราทําบาปแต่ละครั้งนี้มันจะทําให้ใจเราไม่สบายทําให้ใจเราทุกข์แต่ทุกครั้งที่เราไม่ทําบาปถึงแม้จะมีเหตุการณ์มามายั่วยวนมาล่อให้เราไปทําบาปแต่เราก็ฝืนเพราะเราถือหลักการ การทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเรากินยาธรรมโอสดของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ทำบาปพอเราไม่ทำบาปแล้วเราจะรู้สึกโล่งใจสบายใจไม่ต้องมากังวลกับวิบากกรรมที่จะตามมาต่อไปนี่ก็คือการโอปัญิโกเข้ามาแล้วก็เอามาใช้กับใจของเราเราต้องใช้กับเวลาที่มันมีเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อการกระทำต่าง ถึงเวลาทำบุญเราจะหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้หรือไม่ตายไปเราก็ไปไม่ได้ก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ต้องมีการให้ความช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือกับทางวัดทางโรงพยาบาลทางโรงเรียนหรือกับทางบุคคลเวลามีภัยธรรมชาติต่างต้องการความช่วยเหลือต่าง เราสามารถที่จะสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไปได้หรือไม่อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบดูว่าใจเรามีธรรมะโอสถอยู่ในใจของเราหรือไม่ถ้าเราสามารถทาบุญรรทาทางได้อยู่ด้วย ใ, ใจของเราก็จะมีความสุขต่อเลี้ยงจิตใจไปเรื่อยๆเราจะทาให้เรามีกาลังที่จะไปสู้กับการต่อสู้กับกิเลสต่อไป ไปปฏิบัติธรรมเพื่อไปชำระกิเลสตัณหาถ้าเราทำสาสองข้อแรกได้แล้วคือละการกระทำบาปได้แล้วเราก็ทำบุญทำกุศลต่างๆได้เราจะมีพลังใจของเราจะมีกำลังที่จะไปปฏิบัติขั้นที่สามต่อไปได้คือการไปชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ก็ต้องทำแบบต่อเนื่อง แล้วก็ทำแบบเป็นที่ถึงจะได้ผลดีถ้าเรายังทำเป็นแบบเป็นครั้งเป็นคราวเช่นเวลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้มันยังไม่พอเพียงต่อการที่เราจะเอาชำระกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เราต้องพยายามหาเวลาให้กับการชนระจิตใจเพิ่มให้มากขึ้นไปตามลำดับถ้าเราอยากที่จะกจาจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจความทุกข์ส่วนใหญ่มันยังหลงเหลืออยู่ในใจถึงแม้ว่าไม่ได้ทำบาปแล้วถึงแม้จะได้ทำบุญทำกุศลแล้วแต่ยังมีความมีความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาที่ลึกๆ ก, กว่านี้ที่ยังไม่สามารถกำจัดได้ด้วยกำลังของของการรักษาศีลของการไม่ทำบาปหรือของการทาบุญจะต้องชาระได้ด้วยการบำเพ็ญจิตภาวานาเท่านั้น ก็คือสังโยชน์ต่างสังโยชน์สิทธิ์ข้อนี้จะไม่ได้หลุดไปจากการไม่ทำบาปจะไม่ได้หลุดไปจากการทำบูญเพียงอย่างเดียวจะให้ละสังโยชน์ให้หมดสิ้นไปจากใจได้อันนี้เป็นกิเลสตัณหาขั้นละเอียดที่เราเป็นจำเป็นที่จะต้องใช้ธรรมะขั้นละเอียดใช้ธรรมะโอสถขั้นละเอียดก็คือการการปฏิบัติจิตตภาวนา การปฏิบัติจิตตภาวนานี้อาจจะเปรียบเหมือนกับการต้องผ่าตัดถึงรักษาโรคภัยให้หายได้เพียงแต่กินยาเพียงแต่ฉีดยานี้อาจจะไม่พอต่อการรักษาโรคได้ถ้าถึงขั้นนั้นหมอก็ต้องผ่าตัดอัในใดการที่จะเอากิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็จําเป็นที่จะต้องทําด้วยการผ่าตัดการผ่าตัดก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาล เพราะว่าอยู่ที่บ้านทำเปรดแบบไ ป, ไปเช้าเย็นกลับไม่ได้เช่นวันนี้ขอไปทำงานแล้วตอนเย็นไปผ่าตัดผ่าเสร็จก็ขอกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ก็ไปทำงานต่ออย่างนี้ทำไม่ได้ถ้าจะทำถ้าจะต้องการผ่าตัดถ้าต้องการบาเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาโมหะวิชาหรือสังโยชน์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี้จำเป็นที่จะต้องไปอยู่โรงพยาบาล ผู้บาเพ็ญจิตตภาวนาก็จำเป็นที่จะต้องไปอยู่วัดไปอยู่ทางสถานที่ปฏิบัติต่างๆแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ yeah. Yeah. เวลาผ่าตัดเขาก็ไม่ได้ผ่าแล้วพักกลางทาง <Yeah. S 1> เวลาผ่าเปลี่ยนหัวใจบางทีเขาก็ต้องผ่ากัน <Yeah. S 1> กี่ชั่วโมงก็ต้องทําไปอย่างต่อเนื่องหยุดไม่ได้เพราะหยุดพักเมื่อไหร่ก็คนไข้ก็อาจจะตายได้ yeah. Yeah. ไดังนัการบําเพ็ญจิตตภาวนานี้ถ้าต้องการที่จะให้ได้ผลดี ให้กำจัดกิเลสตัณหาโมหะวิชาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต้องไปอยู่วัดไปอยู่ตามสถานที่ที่สงบไม่เป็นวัดก็ได้ที่ไหนที่สงบสงัดวิเวกห่างกกยจากสิ่งลบปวนใจต่างๆเช่นแสงสีเสียงบุคคลต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ต้องการสังคมกับใครไม่ต้องการคลุกคลีกับใคร ต้องการที่จะไปเปรยกวิเวกอยู่ตามนำพังเพราะว่าการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้ต้องอยู่ตามนำพังอยู่ในฐานที่สงบกายต้องสงบเมื่อกายสงบแล้วก็จะทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ง่ายถ้ากายไม่สงบนี้การที่จะไปทำใจให้สงบนี้ยากเพราะฉะนั้นต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ให้ความสงบต่อร่างกายเ็าเรียกว่ากายวิเวกก็คือที่ที่ห่างกายจากแสงสีเสียงต่างๆ จากรูปเสียงกลิ่นรสที่มาคอยยั่วยุลปวนใจอยู่เรื่อยๆต้องไปอยู่ที่สงบเช่นอยู่ตามป่าตามเขาหรือตามสำนักปฏิบัติธรรมที่เขาไปตั้งไว้ในป่าในเขากันแล้วก็แยกกันอยู่อยู่คนละที่ไม่ได้มาคุกคีกันไม่ได้มาเจอกันยกเว้นเวลาที่มาทําภารกิจที่จําเป็นเช่นมาฟังธรรมหรือมา รับประทานอาหารก็อาจจะต้องมาร่วมกันในขณะที่มาร่วมกันก็จะไม่คุยกันไม่สนทนากันต่างฝ่ายก็ทําหน้าที่ของตนไปจเจริญสติคอยควบคุมใจควบคุมความคิดเพราะว่าความคิดนี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลส ต, ตัณหาถ้าคิดเมื่อไหร่ปั๊บกิเลสตัณหาก็จะสามารถโผล่ขึ้นมาได้ทันทีถ้าไม่คิดกิเลสตัณหาก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ยังต้องพยายามหมัน่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆ การบำเพ็ญจิตตภาวนาเบื้องต้นนี้ต้องเจริญสติก่อน<ม>เบื้องต้นนี้เราต้องการเจริญสัมมาะภาวนาคือการทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาการที่จะทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้เราจําเป็นจะต้องมีสติ<ม>สตินี้เป็นตัวที่จะหยุดความคิดตัวที่จะทำใจให้นิ่งสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาถ้าเปียกก็เป็นเหมือนนถยนต์ การที่จะการที่จะให้รถยนต์ที่วิ่งนี้มันจอดนิ่งสงบนิ่งได้ก็ต้องมีเบรกต้องเหยียบเบรกพอเหยียบเบรกแล้วรถที่วิ่งแล้วก็ค่อยๆชะลอตัวลงและในที่สุดก็จะจอดได้หยุดได้แต่ในใจของเราก็คิดเหมือนกับรถยนต์วิ่งเหมือนรถยนต์คิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิให้หยุดคิดเราก็ต้องมีเบรกเบรกที่จะยันหยุด ความคิดของของใจได้ก็คือสตินี่สติก็ต้องมีกรรมฐานถึงจะเรียกว่าเป็นสติคือใจจะต้องมีการลเลือก้กอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆนั่นเองเช่นใช้คำบริกรรมพุทโธเราก็เรียกว่าพุทธานุสติให้เราบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆในขณะที่เรามีการเคลื่อนไหวหมีการกระทาอะไรต่างๆ ใจเราอยากปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปแล้วความคิดก็จะค่อยเบาบางลงพอเรามานั่งสมาธิพอกายเรานั่งเฉยๆใจก็จะนิ่งสงบรวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้ด้วยการบริกรรมพุทธโธอย่างต่อเ น, นื่องหรือถ้าเราอยากจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกเวลานั่งสมาธิแทนพุทธโธก็ได้แต่ถ้าเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเรามีการเคลื่อนไหวนี้อย่าดูลมเพราะ การดูรมมันดมนูมันดูยากแล้วก็มันจำเป็นที่จะต้องดูการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายเป็นหลักให้เรามีสติอยู่การเคลื่อนไหวอยู่กับการทำงานต่างๆของร่างกายคอยเข้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรกำลังอาบน้ำกำลังล้างหน้าแปลงฟันกำลังดื่มน้ำกำลังเ่กลังแต่งเนื้อแต่งตัวกลากำลังรับประทานอาหาร ให้คอยเฝ้าดูการกระทาของนั่งกายเป็นเครื่องเจริญสติได้ให้ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ในขณะที่เรามีการเคลื่อนไหวการกระทำอะไรต่างๆให้ดูการเคลื่อนไหวแต่พอเรามานั่งเฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วเราค่อยเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ ถ้ารู้เฉยๆไม่ไปทไม่ไดคิดปรุงแต่งไม่ไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องบังคับลมให้หายใจเนกๆหายใจยาวๆปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของลมเราเพียงต้องการจะใช้ลมเป็นเครื่องปูกใจเท่านั้นไม่ต้องการมาทำงานกับการบังคับลมถ้ามีการบังคับลมนี้ใจก็จะไม่นิ่งเพราะใจต้องทำงานถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งให้ใจรู้เฉยๆให้ดูเฉยๆ ให้รู้ว่าตอนนี้ลมกําลังเข้าลมกําลังออกรู้อยู่ที่จุดเดียวอยู่จุดที่ลมสัมผัสเข้าออกแถวบริเวณปลายจมูกหรือเหนือลิมนฟีปากขึ้นมาให้ดูตรงจุดนั้นไปเรื่อยๆนะกระทั่งเวลาไม่มีลมให้ดูก็ให้ดูอยู่ที่จุดเลมต่อไปถ้าเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบได้พอจิตนิ่งสงบแล้วก็ใจก็สบายเย็นมีความสุขแต่เพื่อความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวง ในความสุขที่เราจะใช้เป็นที่ที่อยู่อาศัยเป็นที่พึ่งของใจได้เราจะทําให้เรามีกําลังที่สามารถที่จะละความโลภความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เป็นความโลภความสุขความสุขจากลาบยศสารเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นโน้นพอเราได้รับความสุขจากความสงบแล้วความสุขจากความสงบนี้มันดีกว่ามันเลิศกว่ามันก็เลยจะทำให้เรา เวลาออกจากสมาธิมาพอเราจะมาเกิดความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกิน่นรสเราก็จะใช้ความสุขของสมาธินี้ ม, มาทดแทนได้เราก็เลิกเราก็จะเลิกความโลภความอยากในในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เราก็จะใช้ปัญญาสอนใจว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบเองอยู่ที่ความปราศจากความอยาก เวลาเกิดความอยากแล้วใจเราจะกระเพิ่มใจเราจะร้อนขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขชั่อปรารได้มาแล้วมันก็หมดไปอันนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนาหรือปฏิบัติขั้นวิปัสสนาภาวนาเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากให้เห็นว่าความสุขหรือการดับของความทุกข์เกิดจากการหยุดความอยาก การจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีความสุขในใจไว้ก่อนความสุขที่เกิดจากความสงบเมอมีความสุขจากความสงบแล้วก็สามารถหยุดความอยากที่จะไปหาความสุขในรูปแบบอื่นได้ใจก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้พอความอยากต่างๆได้รับการชำระด้วยปัญญาหรือวิปัสสนาแล้วใจก็จะนิ่งสงบปราศจากความทุกข์ความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมด อันนี้เป็นการชำระใจเป็นการรักษาใจให้หมดจากความทุกข์ขั้นถาหวนต้องทําด้วยการใช้ปัญญาขั้นสมาธินี้ก็จะทําให้ความทุกข์หายไปชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่วาลาออกจากสมาธิมาพอ เ, เกิดความอยากขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามีปัญญาพิจารณาไตรลักรรษณ์ได้พิจารณาอริยสัจ4ี่ได้ ก็สามารถที่จะหยุดตันหาความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างถาวร <c oughs> เมื่อความอยากหมดสิ้นไปแล้วโรคภัยไข้เจ็บความทุกข์ของใจก็จะหายไปหมดการรักษาพยาบาลของใจก็สิ้นสุดลงณนะนะจุดนั้นที่ท่านเรียกว่าวุตสิตังบ ร, รมจรียังกินในธรรมจา ร, รีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วในเวละที่ตัหาความอยากต่างๆได้ถูกทาลายไปหมดสิ้นไปจากใจ ความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจมันจะหาย ห, หมดสิ้นไปแล้วจา่ความสุขที่เรียกว่าบรลมะสุขนิ่บาลังบรมังสุขขังอันนั้นแนะก็คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ได้ชำระความอยากความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปเอาหมดสิ้นไปแล้วใจก็จะสงบไปตลอดมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดแล้วก็จะเป็นใจที่จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป เพราะความอยากที่จะหาความสุขจากโลกทั้งสามนี้ไม่มีอยู่แล้วเพราะความอยากได้ถูกกำจัดด้วยปัญญาได้วิปัสสนาภาวนาแล้วใจก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปพุะเจ้าทงตัดว่าทุกย่อมไม่เกิดต่อผู้ที่ไม่เกิดท่านั้นทุกย่อมไม่มีต่อผู้ที่ไม่เกิดท่านั้น ถ้าตาดายังมีการเกิดอยู่ตาบนั้นยังมีความทุกข์อยู่ไม่ว่าจะเกิดในภพไหนสูงต่ำอย่างไรก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายอยู่ตลอดไปนี่คือเรื่องของธรรมโอสถอย่ารักษาใจให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆที่จะเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวาหาปูราปริปุเรนตีสาคหลังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปะทิตังคุมหังคิดเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะร拉โสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันทราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีบิสนิจังวุทาปจายิโน จตารโธมาวทานติอายุวโนสุขังภาลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอแชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อ น, นี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุตจากทางเฟ e บุ o กพระอาจารย์สุชาติ421ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 298 YouTube ด r V 55วิทยุออนไลน์8ครับ h o u s ์7นาคุต180รวมทั้งหมด969ท่านค่ ะ, ะถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลย คำถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะจากคุณอุดมซับค่ะอยากนมัส ก, การสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้ามีคนมาใส่ร้ายเราทั้งที่เราไม่ได้ทําเราจะวางใจอย่างไรให้ผ่านผลเรื่องราวเหล่านั้นไปได้ครับอย่างหลวงตามหาบัวท่านก็บอกว่าเขาเป็นคนทําบาปไม่ใช่เราเขาต้องเป็นคนรับผลบาปที่เขาทำํำ เราไม่ต้องทำอะไรเราก็รัำรู้เฉยๆไปนั่นเองคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติค่ะเราควรทำอย่างไรกับหนังสือธรรมะที่มีการสอนถูกผสมมีการสอนถูกผสมผิดดีคะถ้าเราไม่อยากเก็บไว้แล้วก็เผาทิ้งไปก็ได้ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะเมื่อเราเสียชีวิตแล้วจิตวิญญาณเราในโลกทิพย์จะสามารถจดจำผู้คนในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เหตุใดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ความจำในอดีตชาติจึงสูญหายไปค่ะมันไม่สูญหายหรอกเพียงแต่เรานึกถึงมันไม่ ไ, มได้ท่านงเพราะมันมีมากมายเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราจดจาไว้ในใจเรานี่มันมีมา่า แล้วจะไปจำมันทั้งหมดก็จำไม่ได้แต่มันมีอยู่มันไม่หมดเวลาเรานอ น, อนหลับเรื่องที่เราจาไว้มันก็โผล่ขึ้นมาในฝันตอนนี้ไม่มีคำถามค่ะเวลาที่ร่างกายตายไปจิตเราก็จะเข้าสู่โลกของความฝันแล้วเราก็เรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีมาฝัน เราทำบุญทำเรื่องที่ดีเราก็จะเอาเรื่องที่ดีมาฝันทําให้เราฝันดีฝั น, นว่าเราได้ไปเที่ยวคนนั้นได้ไปเจอคนนี้คนนี้ที่เรารักเราชอบอะไรเป็นต้นแต่ถ้าเราทําบาปทําร้ายผู้อื่นมากกว่าเราทําบุญบาปมันก็จะโผล่ขึ้นมาในฝันว่าเราไปเจอคนนั้นต่อสู้กับคนนี้มีเรื่องมีราวกับคนนั้นอะไรต่างๆมันอยู่ในใจของเราขณะที่เราตายไปเนี่ยเราจะอยู่ในโลกของความฝัน ผลิตด้วยบุญหรือบาปที่เราทำจนกว่าบุญหระบาปหมดกําลังมันก็จะทําให้เรามาเกิดใหม่เพราะเราออกมาจากท้องแม่ก็เหมือนเราตื่นขึ้นมาใหม่ตอนที่เราตายก็เหมือนเรานอนหลับชั่วคราวไปเปลี่ยนร่างกายไปถ่ายร่างกายถ่ายที่32อาการเลยได้ของใหม่เลยไม่ต้องมาถ่ายแต่หัวใจเลือตายอย่างเดียวนี่ถ่ายแบบถ่ายทั้งร่างเลยเวลาตายก็เป็นเท่ากัการปเป็นการไปเปลี่ยนร่างกายทั้งเลย ช่วงที่รอเปลี่ยนก็อยู่ในนอนนอนนอนนอนสลบมอนให้ยาสลบก็เราก็จะฝันไปฝันดีฝันไม่ดีตามบุญตามบาปที่เราทำไว้พอหมดบุญหมดบาปที่เราฝันแล้วเราก็จะตื่นขึ้นมาร่างกายก็จะได้ร่างกายมาหมือมีคําถามเชิญครับอาจารยมัพ่อครับคือถามว่าเรื่องระบบความจำใน ที่เราที่เรารับรู้ข้อมูลมาในในชาติปัจจุบันนะ เ, เขาจะเก็บไว้ในสมองก่อนแล้วก็ค่อยไปเก็บในในในนามขันที่เป็นสัญญาหรือว่าหรือว่ า, ห ร, วาหรือว่าเก็บเก็บไว้พร้อมกันทั้งคู่ครับมันเก็บที่ที่สัญญาในใจสมองอาจจะเป็นเพียงแต่ส่งไปให้ใจทีส่งไปทางวิญญาณวิญญาณ รับรู้แล้วก็ฝังไว้ในสัญญาเช่นเราเห็นภาพอย่างนี้ยก่อนจะเห็นภาพได้ตาต้องผ่านสมองก่อนนะสมองแล้วพอถึงสมองแล้วใจก็มารับจากสมองไปอีกทีไปเข้าไปในใจแล้วก็จะจดจําไว้ถ้าอยากจะจำจําได้นานก็ต้องพยายามนึกถึงมันบ่อยๆถ้าเราไม่ได้นึกถึงมันเดี๋ยววันสองวันมันก็จางหายไปได้ก็เหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าที่ผมเคยถามว่าสําหรับคนที่ไป เปลี่ยนสัญญาแล้วก็เป็นเหมือนกับพระระยบุคคลแล้วถ้าสมองถูกทําลายไปอก็ยังจะพูดงี้ว่าไม่ลืมเป็นเป็นพระระยะบุคคลอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่ามันเก็บมันเก็บอยู่ที่อยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในอยู่ในใจไม่ได้อยู่ในเครื่องเราอยู่ในคลาวอยู่ในคลาวครับอยู่ในคลาวไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วระบบความคิดนะครับหลวงพ่อที่ที่มีคลื่นสมองเนี่ยฮะ ก็สมองเพียงแต่ทําหน้าที่ที่ถ่ายทอดอะไรต่างๆผ่านทางอวัยวะต่างๆแต่ใจเป็นผู้สั่งผ่านทางสมองให้ไปสั่งทางร่างกายอีกทีเช่น ใ, ใจบอกจะลุกขึ้นตอนเนี้ยสมองก็ต้องสั่งว่าไปที่ขาไปที่แขนนี่ขยับก็บยะลุกขึ้นมาได้แต่ถ้าสมองไม่ทํางานใจสั่งก็ทำอะไรไม่ได้เช่นคนเป็นํามาพกรรมภ า, านี่ใจยังสั่งอยู่ยังอยากจะลุกอยู่ แต่เครื่องมือที่จะรับคําสั่งมันมันทํำงามนมันบกพร่องแล้วนนก็แสดงว่าคลื่นความคิดมันก็ต้องเกิดจากใจมันสั่งขึ้นมาใช่ไหมเพราะใจมันคิดขึ้นมามนด้วยอวิชชาโมหะอวิชชา mm hmm. ชอบคิดไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยต้องคอยต้องสั่งร่างกายให้ทำนูำ่นทำนี้ให้อยู่เนื่องแต่ถ้ามีปัญญาบอกต่อไปนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้ว mm hmm. เราทําใจให้สงบเองทํามีความสุขดีกว่า ก็ไม่ต้องเพื่งร่างกายนะร่างกายเป็นอะไรใจก็ไม่ทุกข์ได้เพราะใจยังมีความสุขได้เป็นกระสมองครับอันนี้คือมีปัญญาครับถ้ามีไม่มีปัญญาก็คิดว่าความสุขต้องผ่านทางร่างกายต้องมีร่างกายต้องมีเงินมีทองต้องมีอะไรต่างๆจะได้ไปซื้อสิ่งต่างๆมาเสกได้พอไม่มีเงินทองหรือร่างกายบกพร่องก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่สามารถหาความสุขได้ แต่ถ้ามีปัญญาบอกเฮ้ยเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในตัวเราเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเพียงแต่มีสติคอยกากับใจให้สงบมีปัญญาคอยตัดความอยากทันนน้งนี้เราก็สามารถอยู่อย่างไม่มีร่างกายได้เนะพราะพุทธเจ้าพาระลานตอนนี้ท่านก็อยู่แนะบบไม่มีร่างกายครับท่านก็ยังอยู่นะถ้าไม่ได้หายไปไหนใจของท่านไม่ตายใจของเราก็ไม่ตายเแต่ใจของเรายังโงย่ยังไม่หลงหาความสุขผ่านทางร่างกายเลยต้องมาทุกกับร่างกายทุกกับสิ่งต่างๆที่อยู <ünkü> ่ในโลกนี้ เรีว่าทุกอย่างนี่ถูกสั่งการออกจากใจมาที่ร่างกายแล้วก็ความทรงจําก็ถูกอัปโหลดขึ้นไปที่ใจใ<ช>ตลอดเวลาถ้ามีการรับรู้ไงถ้ามีการรับรู้ถ้ารรมีการรับรู้ถ้าไม่มีข้อมูลรับรู้มันก็ไม่มีอะไรส่งเข้าไปแล้วเจตนานเพราะเกี่ยวเจตนานี่มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตตัวจิตเองจะทําทอะไรก็ต้องมีเจตนาครับเช่นอยากจะได้เงินก็ต้องมีเจตนาไปหาเงินมาทําไปทํางาน ทำงานไม่ได้เงินเงินน้อยไม่พอก็ต้องอาจจะไปคอร์รัปชันอันนี้ก็เป็นเจตนาทามตั้งใจของจิตถ้าถ้ากระทําโดยไม่เจตนานี่มันจํำไหมหลวงพ่ อ, อ, อมันมันก็เรื่องของอุบัติเหตุเนีย่ยเดินไปแล้วอยู่ดีๆก็เดินไปเหยียบอะไรเข้าแล้วก็ลื่นน้มลงนี่ก็เรียกทาโดยไม่มีเจตนาครั บ, รบแล้วขับรถไปแล้วสุนัขวิ่งตัดหน้ารถก็ชนมันตายอย่างนี้เราไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าสุนัขเจตนาเองเราคือขับรถไปกลับบ้านอย่างนี้ อย่างนั้นมันบันทึกไม่ในสัญญาไหมครับพ่อมันก็มันบันทึกไม่บันทึกมันก็ไม่สาคัญเพราะถ้ามันไม่เป็นมันไม่เป็นบาปเป็นบุญนี้มันไม่มีผลกระทบมากต่อจิตใจอถ้ามีเจตนาที่จะทำบุญมันถ้าทําไปมันก็จะฝังอยู่ในใจในเจตนาจะทําบาปก็ทําไปมันก็จะฝังอยู่ในใจคือหมายความว่าถึงแม้ว่าบันทึกไม่บันทึกแต่ไม่เกิดวิบากไม่มีวิบากไม่มีวิบาบครับไม่เป็นบุญเป็นบาปไม่เป็นบุญเป็นบาปครับ คำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติค่ะเมื่อสามีศีลไม่เสมอกับเราเราจะทําอย่างไรดีเจ้าคะก็อยากกบนนี้แล้วก็มีเมียน้อยแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้รู้ว่าอย่ากกั น, กนคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติค่ะ กลับนมัสการพระอาจารย์ครับปกติจิตนั้นสว่างสวัยเหมือนแก้วใช่ไหมครับแต่เป็นเพราะว่ากิเลสเข้ามาปกคลุมถึงทําให้ขุนมัวถ้าปกติจิตนั้นสว่างสวยัยสว่างใสแสดงว่าความสว่างใสนั้นคืออวิชชาใช่ไหมครับถึงทําให้มาเกิดไม่ใช่หรอกคือจิตสงบจิตมันก็จะสว่างสวัยขึ้นมาแต่มันยังมีอวิชชามีกิเลสอยู่ เพราะว่าความสงบคือสมาธิไม่ได้กําจัดกิเลสเพียงแต่กดมันไว้เฉยๆเหมือนหินทับหญ้ายังมีกิเลสอยู่ถ้าอยากจะให้กิเลสหายไปต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วตัดความอยากตัดความหลงตัดอวิชชาได้ปัญญาจะเห็นเป็นไตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอวิชชาจะเห็นเป็นนิจจังสุขขังอัตตา คำถามจากทางเฟ e บุ o กพระอาจารย์สุชาติค่ะจากคุณ JW วความตายของเราในชาตินี้ถูกกำหนดไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องตายด้วยอะไรที่ไหนเราไม่สามารถไปเ ป, ปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะเรื่องตายด้วยวิธีไหนเวลาใดานี้มันไม่มีกาหนดแต่ที่มันมีกาหนดก็คือต้องตายแน่ๆในนี้ตายเมื่อไหร่ที่ไหนเวลาใดาด้วยเหตุผลใดนี้ไม่มีการกำหนดแนะแต่เหตุ ป, ปัจจัย ถ้าขึ้นเครื่องบตกเครื่องบก็ตายได้แต่ถ้าไม่ขึ้นขึข้นเครื่องบิก็ไม่มีวันที่จะตกเครื่องบินตายยังไม่มีคําถามค่ะเดีย๋ยนั่งอรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเพิมเลยกำลังพิมพ์คำถามอยู่จะได้ให้เขาพิมพ์มไล้ตอบได้ใครอยากจะถามอะไรก็เชิงเข้ามาถามได้นะไม่คิดเงินไม่คิดตังค์ <c oughs> จะได้เป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานให้กับผู้อื่นผู้อื่นที่เขาอาจจะไม่รู้อะไรพอเราถามแล้วก็เขาก็อยากจะได้รู้ได้เข้าใจ <c oughs> อาเชิญเข้ามาได้ถ้าอยากจะถามเชิญมาที่ข้างหลังญาติโยมสองคนนี้ที้อยอะตอนนี้ ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ใก ล, ใกล้ๆหน่อยค่ะคืออยากขอวิธีทำให้จิตใจลดความฟุ้งซ่านนะคะอยากให้มีสติที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเขาต้องทำบ่อยๆต้องฝึกสติบ่อยๆฝึกสติบ่อยๆลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปค่ะอย่าปล่อยให้ใจคิดมันก็ไม่คิดค่ะทีนี้เวลาฝึกอานาปันสติหนูนั่งสมาธิแล้วหนูสึกว่าใจมันลอยหนูก็เลยใช้วิธีลืมตาได้ไหมคะ ได้แต่มันก็ไม่ดีเท่ากับเราฝึกสติมาก่อนถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถหลับตาแล้วดูงมได้อย่างสบายค่ปัญหามอยู่ที่การไม่มีสติพอเห็นเราต้องฝึกสติก่อนมานั่งให้มากๆซึ่งเราสามารถทำได้ตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็พุโทโธไปก็ได้หรือเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ได้อย่าให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็ยังมีสติ พอมานั่งเราก็อยู่ขับลมห า, ายาจได้ไม่ต้องทำอะไรตอนตอนกลางวันจะเป็นลืมตาแต่ตอนกลางคืนจะแบบนั่งหลับตาได้ค่ะแต่ตอนกลางวันต้องแบบลืมตาฝึกสติถึงจะได้ก็ได้ถ้าอยากจะลืมตาก็ได้แต่มันจะไม่สงบเท่ากับการหลับตาค่ะขอบพระคุณจะคะแก้วก้อยค่ะคถามจากทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะ อาสังคาตะธรรมยังมีนามอาขันอยู่ใช่ไหมครับโอยนี่เราไม่เคยเรียนมาทางนี้ทางภาษาบาลีต้องขออภัยด้วยเราไปถามกูเกิลดีกว่าคำถามจากคุณวิโรธค่ะเรียนท่านอาจารย์ทุกสิ่งกำหนดไว้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ทุกสิ่งหรอกคือบุญบาปที่เราทำอยู่นี้มันก็จะมีเหตุผลดันให้เราไปทำอะไรต่อ ถ้าเราเคยทําบาปชอบทําบาปมามันก็จะติดเป็นนิสัยมาพอเรามาเกิดภพนี้เราก็จะมาทําบาปต่อถ้าเราเคยทําบุญชอบทําบุญมาพอเรามาเกิดภพนี้เราก็จะไปทําบุญต่ออันนี้มันเป็นอดีตเป็นตัวที่ถักดัง <S <S <Yeah. S 1> แต่ไม่ได้เป็นตัวที่กําหนดตายตัวว่าจะต้องไปทําบุญเพราะาอาจจะไปทําบาปแทนนี่ไปทําบุญก็ได้เฉันจะไปทําบุญแล้วพอดีเพื่อนโทรมาให้ไปยิงนกตกปลากันนี้ก็าาอาจจะไปเที่ยวยิงนกตกปลากับเพื่อนก็นได้ มันไม่มีอะไรแน่นอนนะเพราจะบวกพิจารณาว่าเป็นอนิจจังไม่มีอะไรแท่งแท้แน่นอนเหตุการณ์ต่างๆมันพลิกได้พลิกไปทางขวาพลิกไปทางซ้ายเกิดได้หยุดได้อะไรต่างๆอย่าไปอย่าไปยึดติดกับมันอย่าไปยึดติดกับอนาคตทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามปัจจุบันปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนมาเรื่อยเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวแดดออกบ้างเดี๋ยวน้ําท่วมบ้างเดี๋ยวมีโรคระบาดบ้าง พฤิกรรมการกระทําของเราต่างๆมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์นั้นเแต่ที่ไม่ที่ไม่เปลี่ยนก็คือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ไม่เปลี่ยนอันนี้ตายตัวเกิดมาแล้วทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันเพียงแต่ว่าแบบไหนเวลาใด ท, ที่ที่มันต่างกันทั้งนี้ค่ะคําถามจากผู้ไม่รู้ค่ะ ขอโอกาสถามหลวงพ่อครับมาบวชพระเจอพระบันเดาะชอบมาลามามต้องทำอย่างไรดีครับนอกจากขันติก็อย่าไปอยู่ใกล้เขาเลยถ้ามีปัญหาก็ไปแจ้งเจ้าอาวาสท่านทราบรับทราบว่ามีปัญหาคำถามจากคุณมาวิมุตตค่ะนิพพานยังมีนามขันอยู่ใช่ไหมครับนิพพานเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ยังมีขันอยู่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ขันไม่ได้เป็นกิเลสขันเป็นตัวทางานของใจโดยที่เป็นกิเลสคือรอบโกรธหลงนี้ได้รับการจักการจัดด้วยปัญญาและสมาธิใจก็เป็นสาบตร์สุทสุดเหมือนกับเสื้อผ้าที่โสปกป่งนี้เวลาเราเสื้อผ้าโสปกป่งไปซักนี่สิ่งที่หายไปก็คือความโสปกปกแต่สิ่งที่ไม่หายก็คือเสื้อผ้า ในใจของเราก็เป็นอย่างนั้นใจของเราเวลาเราไปชำระด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาสิ่งที่หายไปก็คือกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆแต่ตัวใจและตัวนามขันธ์ที่อยู่ในใจก็ยังอยู่ต่อไปเหมือนเดิมคำถามจากทาง Facebook จากคุณอีทค่ะเรียนถามว่าเราดูแลคุณแม่แล้วอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อที่เสียชีวิตได้ไหมคะ อันนี้ก็ไม่รู้เนะี่ยเพราะว่าพระเจ้าบอกอย่าจะอุทิศบุญให้ไปทําบุญทําบุญถวายทานส่บาตรหรือสอยสังฆทานอะไรนี้อยากจะคิดว่าเป็นบุญจะ อ, อุทิศไปก็ไม่มีใครห้ามอยากจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้คําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะนิกายธรรมยุทธ์กับมหานิกายแตกต่างกันอย่างไรครับอ๋อต่างกันการรักษาพระมินายบางข้อ บางข้อไม่ได้รักษาบางข้อท่านรักษาเช่นทางทางฝ่ายหนึ่งก็สามารถรับเงินนับทองได้พกพาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของเองได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พกเงินทองไม่ให้รับเงินทองกับมือถ้าจะรับเงินทองให้ฝากไว้กับลูกศิษย์เวลาต้องการจะใช้ของอะไรให้ลูกศิษย์ไปซื้อให้ไม่ไปซื้อเองคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ รบกวนหลวงพ่ออธิบายเรื่องธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟกับร่างกายมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็ร่างกายถ้าไม่มีธาตุสีมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้แล้วร่างกายของเรานี่ต้องมีดินธาตุดินก็มาจากข้าวที่เรากินข้าวผักของแข็งต่างๆนี่ก็มาจากธาตุดินรวมที่หายใจเข้าออกก็เป็นธาตุลมน้ําที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นธาตุน้ําไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากแสงแดดนี่มันก็เป็นธาตุไฟ พอมีทั้งสี่ธาตุมาผสมกันก็เหมือนกับเราทำกับข้าวทำหมกข้าวมีผักมีหมูมีอะไรใส่เข้าไปแล้วก็สามารถปรุงแต่งให้เป็นอาหารจานเด็ดขึ้นมาได้ร่างกายก็ต้องมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าอยากจะมีร่างกายอยากจะมีอาการ32คำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะ กรบพระอาจารย์ช่วยชี้แนะค่ ะ, ะว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถลบความตระหนีในใจให้ได้ยิ่งๆขึ้นไปคะก็ต้องให้บ่ยบอยๆทุกครั้งที่ตรนหนีก็ต้องเบิ้ลไปเลย <c oughs> อามันให้เก็ดเลยสี <c oughs> <c oughs> ดยดาให้ร้อยเสียดาไปสองร้อยเลย คำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะจากคุณวันเพ็ญลูกรักษาโรคซึมเศร้ามานานห้าปีตอนนี้ก็ยังต้องทานยาอยู่อยากได้คำแนะนำจากหลวงลงปู่เจ้าค่ะฝึกสตินั่งสมาธิให้บ่อยๆถ้ามีสตินั่งสมาธิใจสงบแล้วใจจะมีความสุขแล้วความเศร้าหมองต่างๆก็จะหายไปคำถามจากคุณประกรณ์ค่ะ การปฏิบัติแบบคารวาะเจริญสติในชีวิตประจําวันจะสามารถทําจิตให้เกิดปัญญาพ้นทุก์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่ครับก็แล้วแต่ว่าคารวะนั้นทํางานด้วยหรือเปล่าถ้าทํางานก็ยากเพราะเวลาทํางานต้องใช้ความคิดเราจะเจริญสติเพื่อหยุดความคิดอยั้นถ้าเราเป็นคารวะถ้าเราไม่ทํางานเราเราก็สามารถปฏิบัติเหมือนกับเป็นพระได้หยุดความคิดได้ ถ้าเราอยู่ความคิดได้นั่งสมาธิจิตก็จะสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดความสุขที่จะทำให้เราสามารถไปตัดความอยากต่างๆได้คำถามจากคุณพัชชาค่ะกำลังท้องอยู่ค่ะถ้าทำสมาธิทำบุญจะส่งไปถึงรูปไหมคะก็ส่งทางร่างกายคือเวลาจิตใจเราสบายมันก็ทำให้ร่างกายสบายตา ม, มเด็กที่อยู่ในท้องก็จะสบายไปกับเรา ถ้าเราไปกินเหล้าเมายาที่เอาของเี่งพิษเข้าไปในร่างกายมันก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายของเด็กแต่ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจจิตใจมันไม่ได้อยู่ในท้องแม่จิตใจมันอยู่ในโลกทิพย์จทางคุณธนพลค่ะ เคยนั่งสมาธิและเดินจงกรมมีความสุขมากขณะเดินจงกรมสุขเหมือนได้เกิดใหม่เพราะไม่ได้กำหนดความสุขนั้นหายไปพอมาปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิไม่ได้รับความสุขแบบนั้นอีกแล้วครับไม่ได้รับอีกแล้วเลยค่ะก็พ่อไปอยากให้มันเกิเดเนี่ยอย่าไปอยากจะไปคิดถึงอดีตให้เราอยู่ในปัจจุบันทำใจให้ว่างๆอย่าไปคิดอะไรแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ คำถามจากทาง You Tube ัรค่ะเรื่องการสวดมนต์สวดแล้วได้บุญอย่างไรครับได้สติไงเวลาสวดเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ใจก็จะว่างจะเย็นจะมีความสุขในระดับของสติแล้วเวลาไปนั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้คำถามจากคุณอไรวันค่ะ เวลาสวดมนต์บางครั้งยังเผลอคิดเรื่องอื่นมีวิธีทำอย่างไรบ้างคะให้จิตนิ่งสงบคะลองสวดให้ชา้าลงก็ได้สวดให้มันชัดถ้อยชัดคำให้จิตอยู่กับคำสวดทุกคาแล้วมันก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้ คำถามจากคุณออจีราค่ะลูกเราดูแลพ่อแม่อย่างดีแต่บางทีเผือพูดจาไม่ดีกับท่านไปบ้างเราจะบาปไหมคะถ้าไม่ถึงกับการเป็นการด่าท่านว่าท่านกล่าวร้ายท่านก็ยังไม่ถือว่าบาปแต่ก็เป็นการกระทําที่ไม่ควรที่กระทํา ถามจากทางเฟพระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเราเจอคนท็อกซิกในที่ทำงานเราควรทำจิตใจอย่างไรคะก็เหมือนเวลาเจอขี้เรจะทำไงฮะค่าแล้วยังค่ะตอนนี้ไม่มีคำถามค่ะไม่มีก็ เอาฮ น, นี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่น่่นได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเถิด